พยาบาลคนหนึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบงานการมากแล้วก็ดูแลใจใสผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือคนที่ใกล้จะตายวันหนึ่งก็มีเพื่อนมาทักท้วงเธอว่าเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันมาทักท้วงเธอว่าคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายเนี่ยเขากำลังใช้กรเรนี่ย ก็คือเคยทำกรรมในอดีตเอาไว้อดีตชาติและตอนนี้ก็ที่เจ็บป่วยก็เพราะว่ากรรมนั้นมาถึงแล้วนะเราะนั้นเนี่ยก็กำลังใช้กรรมอยู่พยบาบาลคนนี้ก็ที่ทักทวงก็บอกว่าทำนองว่าไม่ควรจะไปช่วยเหลือเขามากนะเพราะว่า เขาจะได้ใช้กรรมให้หมดหมดในชาตินี้อาชาติหน้าก็จะไดไม่ต้องไปไปใช้กรรมพยาบาลคนแรกฟังแล้วก็งงงงวยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือที่จริงเนี่ยคนที่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยยิ่งต้องพยายามช่วยเขาหากว่าช่วยเขาให้ให้มีชีวิตรอดไม่ได้ก็ช่วยเขาตายสงบ ถ้ามีความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ช่วยบรรเทาความทุกข์นั้นนะเธอก็แปลกใจที่นะมีคนมาทักท้วงว่าทาอย่างนี้ไม่ถูกนะนะควรจะปล่อยให้คนไข้เขานะเจ็บปวดต่อไปนะเพื่อเขาจะได้ใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ตายไปเกิดใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปใช้กรรมเอาความคิดแบบนี้นี่ มันไม่ใช่แค่เป็นความคิดของคนไม่กี่คนนะเดี๋ยวนี้ก็พบว่าความคิดแบบนี้ก็แพร่หลายไปเยอะโดยเฉพาะในหมู่แพทย์พยาบาลนะเมื่อสองปีก่อนก็เคยมีอาจารย์พยาบาลคนหนึ่งมาที่นี่แล้วก็พูดทำนองนี้คล้ายๆกันแต่ว่าพูดในแง่หนึ่งคือเธอบอกว่าเนี่ยผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี่ ถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเขาหรือผู้ป่วยหนักถ้าเกิดเราไปช่วยเขาให้เกิดรอดชีวิตขึ้นมาได้เจ้ากรรมในเวรของคนนั้นของผู้ป่วยคนนั้นก็จะไม่พอใจแล้วก็จะมาเล่นงานเราทําทให้เกิดเพราะเกิดความลําบากขึ้นมาสรุปก็คือว่าอย่าไปช่วยนะผู้ป่วยเหล่านี้ ให้เขารับกรรมของเขาไปอ่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับแพทย์รพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่คนที่เชื่อแบบนี้ก็เป็นคนที่เข้าวัดเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทําบุญอาจจะฟังทำปฏิบัติทำด้วยซ้ําอาการที่เขามีความคิดความเข้าใจหรือความเชื่อเช่นนี้ก็เดา ว, ว่าเขาคงเป็นเพราะเขาเข้าใจว่าเนี่ย คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วนี่มันมันหาไม่พบนะในพระไตรปิฎกนะคำสอนแบบนี้คือความเข้าใจว่าไอ้ที่ป่วยทุกวันนี้เนี่ยหรือที่ป่วยหนักเป็นเพราะว่ากรรมในดิตชาติเดี๋ยวนี้ชาวพุทธจานวนไม่น้อยเนี่ยพอใครเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าพอประสบเหตุร้ายขึ้นมา ก็มักจะโทษว่าเป็นเพราะกรรมที่ทําไม่ดีในอดีตชาติเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมารับกรรมหรือว่าใช้กรรมอันนี้เนี่ยดูเพินก็น่าจะเป็นคําสอนของพวกเทเจ้านะแต่ที่จริงไม่ใช่เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีลัทธิความเชื่อนอกพุทธศาสนาอยู่3ประการข้อแรกประการแรกก็คือความเชื่อว่า สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนปางก่อนนี่หมายถึงชาติก่อนชาติโน้นชาติที่แล้วพระเจ้าเรียกความคิดแบบนี้ว่าปุเพกะตะเหตุว่าลัตทิกรรมเก่านะพูด ง, งา่ายๆอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นลัที่นอกพุทธศาสนาเลยอีกลัที่หนึ่งก็คือลัที่ว่าที่ สุขหรือทุกข์ในปัจจุบันเป็นเพราะการโดนบันดางของพระเจ้าอาจจะรวมไปถึงการโดนบัณฑาลของเทวดาทั้งหลายนะอีกลทัทธิหนึ่งนะก็คือความเชื่อว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่มีสาเหตุาชาวผูจ้จํานวนไม่น้อยเนี่ยมีความคิดความเชื่อข้อแรกเยอะทีเดียวโดวยความเชื่อว่ามันเป็นคําสอนในพุทธศาสนามีอะไรเกิดขึ้นก็ ไปหมาว่าเป็นเพราะกรรมเก่าบางคนทำมาค้าขายแต่ก่อนก็จเจริญรุ่งเรืองดีแต่ตอนหลังขายไม่ค่อยออกก็สงสัยว่าเป็นเพราะว่ากรรมในดิตชาติหรือเปล่าในสวาวัตกาลนี่ก็มีพรามหลายคนทีเดียวนะมีความเข้าใจแบบนี้นะพอเจ้าก็ตำหนิพรามเหล่านั้นว่า สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเล่นไปไกลเกินกว่าสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นความจริงแล่นไปไกลเกินกว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตัวเองคือสมณพรามณ์เหล่านั้นบอกว่าเนี่ยไอเวทนาที่เกิดขึ้นศุกร์ก็ตามทุกข์ก็ตามนี่เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติซึ่งรวมถึงความเจ็บความป่วยด้วย แล้วพระเจ้าก็อธิบายว่าเนี่ยความเวทนาหรือความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเกิดจากดีก็มีเกิดจากเสเลก็มีนะเกิดจากลมก็มีหรือเกิดจากสามอย่างผสมรวมกันก็มีเกิดจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มีแล้วก็เกิดจากผลกรรมก็มี อันเฉได้ว่าผลกรรมนี้มันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุปัจจัยอีกมากมายหลายอย่างที่ทําให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาและผลกรรมที่ผู้เจ้าตรัสนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นกรรมจากอดีตชาติหรือเป็นกรรมในอดีตชาติอาจจะ ก, กรรมในปัจจุบันก็ได้ <c oughs> เรื่องนี้ก็อธิบายไม่ยากไนงะเช่นคนที่กินเหล้าสู บ, บุรีนะเป็นสิบสิบปีเสร็จแล้วก็วันหนึ่ง ก็ป่วยเป็นมะเร็งนะโรคถุงลมโป่งพองน่จะไปบอกว่า เ, เป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนนี่ไม่ได้เลยก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตไม่ถูกต้องที่พระเจ้าเรียกว่าการบริหารตนไม่สม่ำเสมอหรือว่าคนที่เอาแต่นั่งนั่งนอนๆอนเอาแต่ดูโทรทัศน์วันวันนึงไม่ค่อยออกกาลังกาย ทำงานก็ทำงานในห้องแอร์นั่งโต๊ะเสร็จแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจซึ่งเป็นกันเยอะนะในยุคปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะมากใครเรียกว่าโรคขี้เกียจนะมันก็ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอะไรเลยนะมันก็เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะไม่ออกกำลังกายเอาแต่นั่งนะนั่งๆั่งนอนๆอน อันนี้มันก็เห็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปทั้ที่พระเจ้าตรัสนะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดจากไวายสาเหตุเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทันสมัยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ผู้คนกลับพยายามทำให้คำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันแคบลงแล้วก็ผิดเพี้ยนไปคือไปเข้าใจว่าความเจ็บป่วยนะหรือว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้น กับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามนะถือว่าเป็นเพราะกรรมเก่ากรรมแต่ชาติปางก่อนอันนี้ต้องเข้าใจนะไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนาแต่ว่าก็แพร่ระบาดกันไปทั่วโดยเฉพาะในหมู่หมอพยาบาลซึ่งมีความรู้มากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสนใจธรรมะนะแต่ว่าก็เข้าใจธรรมะอย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก ให้ความเข้าใจแบบนี้นี่อันตรายมากทีเดียวนะเพราะว่ามันทําให้คนไทยนี่หรือาชาวพุทธกลายเป็นคนไม่มีน้ําใจได้ง่ายๆไม่ใช่ไม่มีน้ําใจกับกับคนทั่วๆไปเท่านั้นนะอาจจะไม่มีแม้ไม่มีน้ําใจแม้กระทั่งกับพี่น้องเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้จักหอกนะแต่ว่าไปพาคนพาจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้ ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนั้นในนคปรปฐมก็ไปเยี่ยมคนไข้ผู้ชายนะวนะัย40ซึ่งเป็นมะเร็งที่คอมะเร็งมันก็ใหญ่ลุกลามจนกระทั่งเป็นก้อนใหญ่หนักหนักเป็นกิโลนะอาจจะหลายกิโลจนกระทั่งเขาเนี่ยไม่สามารถจะยืนหรือนั่งได้ตามปกติต้องเอาตัวเนี่ยนะนอนทาบกับเตียง เวลาจะคุยกับเขาก็ต้องก้มลงคุยกับเขาจากเขาก็จิตใจก็ดีพอสมควรพยาบาลก็ดูแลหมอก็ดูแลดีจนกระทั่งสามารถจะกลับไปที่บ้านได้จะกกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยก็ทีแรกก็มีแฟนมาช่วยดูแลแต่ตอนหลังพี่สาวซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่วัดใกล้ๆกันก็ไล่เธอไปบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันมาอยู่กันแบบนี้ มันผิดสิ่ข้อที่สมนะอันต่อมาก็งงว่ามันผิดสิ่งข้อที่3าตรงไหนนะเขาก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันหรือถึงมีถ้าเขาไม่ได้ไปผิดรูปผิดเมียใครมันก็ไม่ได้ผิดสิ่งข้อที่สแต่นี่เขาแค่ดูแล ก, กันสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เลยไปติดต่อพี่สาวคนนี้แหละให้มาช่วยดูแลน้องชายหน่อยพี่สาวก็บอกว่าเธอ เธอพิสาปฏิเสธนะเพราะว่าเธอกำลังปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องชายเขาต้องรับกรรมของเขาเธอไม่ไปไม่ไปช่วยแต่มันจะกลายเป็นการไปแทรกแซงกรรมเขาอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากนะของชาวพุทธจํานวนมากทีเดียวว่าการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่ไปเป็นการแทรกแซงกรรมที่จริงก็จจะไม่รู้ว่าการที่ นิงดูได้ไม่ช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการสร้างกรรมใหม่ก็เป็นกรรมที่ไม่ดีด้วยแล้วก็หมายความว่าต่อไปถ้าเกิดตัวเองเจ็บป่วยก็คงไม่มีใครจะมาดูแลเขาเหมือนกันเพราะว่าการนิ่งดูไดยไม่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยมันก็เป็นการสร้างวิบากให้กับตัวเองถึงเวลาตัวเองเจ็บป่วยหรือประสบเคราะห์นะก็จะไม่มีใครช่วยตัวเองเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยนะ าการที่ไม่ไปช่วยเหลือใครเนี่ยด้วยเหตุผลว่าจะเป็นการแทรกแซงกรรมเขาหรือจะไปหรือกลัวว่าเจ้ากรรมในเวของคนนั้นจะมาเล่นงานเราไอความช่วยเหลือเจ้ากรรมในเวนี่มันจริงๆนะไอคำนี่มันก็ไม่มีในปพระไตรปิฎกนะมันมีแต่คู่เวรคู่กรรมไอคู่เวรคู่กรรมนี่มันก็คยแล้วความหมายก็ไม่ตรงกับเจ้ากรรมในเวที่เข้าใจปัจจุบัน อดี๋ยนี้ไปเข้าใจว่าเจ้ากรรมนายเวคือวิญญาณมืดหรือว่าพลังมืดบางอย่างที่สามารถจะทำร้ายใครก็ได้คู่แบ่งคู่กรรมมัไม่ใช่ใครหรอกก็อาจจะเป็นสามีภรรยาหรือพี่น้องส่วนใหญ่ก็สามีภรรยาผัวเมียนี่แหละนะที่อาจจะเป็นคู่แบ่งคู่กรรมนันก็ได้คู่บุญก็มีนะแต่ว่าคู่แบ่งคู่กรรมก็เยอะเช่นแต่งงานกันเสร็จแล้วก็ฆ่ากันทําลายกัน จนถึงตายก็มีอันนั้นเราเรียกว่าคู่เวงคู่กรรมซึ่งก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นให้เห็นทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เราเออารอะไรก็เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรคือถ้าถ้าหาว่าความเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันส่งเสริมให้คนทําความดีมันก็ดีนะแต่ถ้าไปเชื่อเจ้ากรรมในเวรจนถึงกระทงว่าไม่มีน้ําใจช่วยเหลือใครเนี่ยอันนี้มันมันผิดละ แล้วเราลองนึกนะว่าต่อไปเนี่ยไอความเชื่อที่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเพราะว่าจ้า ก, กรรมในเวรก็ดีหรือเจ็บป่วยเพราะว่ากรรมที่ทำในชาติปางก่อนก็ดีมันมาส่งผลให้ต้องใช้กรรมเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ต่อไปนะมันก็จะลุกลามไปถึงขั้นว่าเวลาเห็นคนประสบอุบัติเหตุกลางถนนหรือเห็นคนกาลังจมน้ำ หรือเห็นคนกำลังถูกกระทําชำเราผู้คนก็จะนิ่งดูได้เพราะไปเข้าใจว่าเนี่ยคนเหล่านี้ผู้ข้อไล่เหล่านี้กำลังใช้กรรมนะเมื่อใช้กรรมก็ต้องปล่อยให้เขาใช้กรรมไปเราจะไม่ไปแทรกแซงเขาเราจะไม่ไปช่วยเขาเดี๋ยวจะเป็นการแทรกแซงกรรมเขาแล้วเมืองไทยมันจะเป็นอย่างไรนะเมืองไทยซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นเมืองพุทธแต่ว่าปล่อยให้คนที่ประสบอุบัติเหตุนะ ตายกลางถนนปล่อยให้คนจมน้ําตายปล่อยให้คนถูกกระทําชํำเราไม่ช่วยนะเพราะถือว่าเขากําลังใช้กรรมแล้วก็ไม่ช่วยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมเนี่ยของเขานะจะมาเล่นงานเราเมืองพูดมันก็จะกลายเป็นเมืองนรกไปนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่ากฎแห่งกรรมมันซึ่งพระเจ้าสอนเนี่ยเพื่อให้คนทําความดีเอื้อเฟือเ้อเกือ้อกูลต่อกัน มันกลับกลายสภาพกลายเป็นว่าส่งเสริมให้คนนะไม่มีน้ําใจยิ่งดูได้นับถือพูดล้วนี่แต่ถ้าไม่มีน้ําใจแบบนี้นะี่การการไม่นับถือพูดแต่จะดีสะกกว่าอีกนะอันนี้พูดแบบแรงๆเลยนะถ้านับถือพูดแบบนี้นี่ไม่นับถือยั ง, ย, งยังจะดีกว่านะเพราะคนที่เข้าใกลวัดไกลาวาเขาก็เ อ, อเื้อเฟื้อเกื้อกูลเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วย แต่ทําไมคนถือพุทธนะเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปไปมามากับไร้น้ําใจอันนี้เรียกว่าเกิดมิจฉาทิฐินะแล้วก็มันก็จะกลายเป็นความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่วและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้คนที่ไม่ได้นับถือพุทธเนี่ยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทําไมชาวพูดถึงปฏิบัติแบบนี้ทําไมชาวพูดถึงไร้น้ําใจแบบนี้ เขาก็จะเกิดความเขา้าใจพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ไม่น่าไม่น่านับถือเป็นศาสนาที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนทำความดีหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าส่งเสริมแต่ให้คนทำดีเฉพาะตัวนะแต่ไม่มีน้ำใจเดีย๋ยวนี้มันไปกลายถึงขั้นว่าเวลาทำบุญทำความดีนี่ก็ไม่อยากจะอุทิศบุญกุศลให้ใครนะมีคนเชื่อแบบนี้นะว่า ถ้าอุทิศบุญกุศลให้ใครเนี่ยจะทําให้บุญกุศลในของเราเนี่ยมันเหลือน้อยลงคนที่แบบนี้มีจริงๆแล้วก็คงจะมีไม่น้อยคิดได้ยังไงนะว่าการแผ่อุทิศส่วนกุศลนะให้คนอื่นนี่จะทําให้กุศลบุญกุศลของเราน้อยลงไปบุญกุศลนี่มันไม่เหมือนเงินนะเงินนี่ถ้าเราแจกจ่ายให้คนอื่นเงินในกระเป๋าของเราก็จะน้อยลงแต่บุญกุศลนี่ไม่ใช่เลย แล้วคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะแซงก็ไม่รู้จากพุทธศาสนาเลยแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานคือเรื่องบุญนะเอาคนที่ศึกษาพุทธศาสนาก็จะพบว่าบุญซึ่งมีสิบประการเนี่ยนะหนึ่งในสิบนั่นก็คือปฏิทานธรรมายปฏิทานทําไมแปลว่าอะไรแปลว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศล น, นะยิ่งอุทิศส่วนกุศลให้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะ ไม่ใช่ว่าบุญจะน้อยลงยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะอันนี้มองอย่างเห็นกั่ตัวเนะยิ่งถ้าอยากได้อยากได้อยากมีมากๆนี่ต้องยิ่งยังต้องยิ่งให้ก็คือที่ส่นสนให้คนมากขึ้นเรื่อยๆคําว่าบุญเนี่ยนะเ ป, น เ, ปนเป็นความคิดพื้นฐานเลยนะถ้าเข้าใจผิดนะก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นพุทธมากที่จริงแล้วเนี่ยนะอะมันมีตัวอย่างมากมายนะในชาดกหรือว่า ที่พูดถึงความเสียสล ะ, ะแม้กระทั่งสละชีวิตให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างในในในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตก็คือผู้ที่มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเกิดมาเป็นพรามแล้วก็วันหนึ่งเห็นแม่เสือตัวหนึ่งมันหิวโซเลย และมันกลังจะกินลูกน้อยของมันพราหม์ก็บอกให้ลูกศิษย์เนี่ยรียบไปหาอาหารมาเพื่อให้แม่เสือแม่เสือมันจะได้ไม่กินลูกของมันแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยหายไปนานเลยพราเสือนี่มันก็มันก็หิวโซมากขึ้นแล้วมันก็ทำท่าจะขยําลูกของมันพราหม์ทำยังไงพราหมก์ก็กระโดดลงไปเลยนะ เพื่ออุทิศร่างกายเนี่ยอุทิศชีวิตให้ให้แก่แม่เสือเพื่อช่วยชีวิตของลูกเสือเอาไว้ไอ้ถ้าคิดแบบถ้าถ้าคิดแบบคนสมัยนี้อย่างที่พูดมาเนี่ยไอการที่ลูกเสือเนี่ยมันจะถูกแม่เสือกินแสดงว่ามันทํากรรมไม่ดีในชาติก่อนๆชาตินี่มันเลยต้องมารับกรรมก็คือต้องมาถูกแม่เสือกิน และเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปช่วยเพราะว่าจะเป็นการแทรกแซงกรรมแต่ว่าในในจิตสํานึกของพรามหรือพระโพธิสัตว์นี่ไม่มีความคิดแบบนี้เลยคือไม่มีความคิดว่านี่การไปช่วยชีวิตลูกเสือนี่เป็นการแทรกแซงกรรมหรือว่าคิดว่านี่เสือลูกเสือที่มันจะถูกกินเพราะมันไปทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตไม่มีความคิดแบบนี้เลย ใ, ในในจิตสานึกของพราม ก็ถึงกับโดดนะโดดลงไปนะให้เสือขย้ำเพื่ออะไรเพื่อช่วยชีวิตของลูกเสื อ, อไว้ น, นี่คือแบบอย่างพระโพธิสัตว์นะที่เรียกว่าพร้อมที่จะไม่เพียงแต่อุทิศให้เป็นทานอุทิศทานคือสมบัติทรัพย์สินเท่านั้นไม่เพียงแต่อุทิศอวัยวะนะแต่ว่าอุทิศชีวิตหรือร่างกายให้โดยซ้ำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบาเพ็ญบารมีนะ ถือว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีอย่างหนึง่งแล้วในทํามนองเนการเวลาเราเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยการไปช่วยเขาเนี่ยก็คือการบําเพ็ญความดีการบําเพ็ญบารมีไม่ใช่ไปแทรกแซงกรรมอะไรเขาเลยนะอันนี้ชาวพุทธเรานี้ต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกเพราะถ้าเข้าใจผิดแล้วเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นผลเสียกับตัวเองนะมันเป็นผลเสียกับคนอื่นด้วยและความคิดที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมใน กรรมในชาติที่แล้วเนี่ยไอความคิดนี้นต้องต้องต้องกลับมาไขาครวนใหม่นะเพราะว่าจริงๆมาจจะมีเหตุปัจจัยมาจากกรรมในปัจจุบันนี้เองนะเช่นพ่อค้าที่เขาไม่รู้จักวางแผนธุรกิจนั้นทำทำไปทําไปก็อาจจะขาดทุนไอที่ขาดทุนไม่ได้เป็นเพราะว่าไปชาติที่แล้วไปขโมยใครไว้นะแต่เป็นเพราะว่า กรรมในปัจจุบันนี่แหละการวางแผนบริหารธุรกิจเนี่ยไม่ดีนะไม่ใช้สติปัญญาใครครวญอันถ้าถ้าเข้าใจสมุทัยผิดนะมันก็พาเขาเราเข้าพงไปก็กลายเป็นว่าอยอมจำนนต่อปัญหาไม่แก้ไขแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเออที่ธุรกิจมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ได้วางแผนให้ดี ก็ทําให้ต้องมาวางแผนกันใหม่หรือว่าที่เจ็บป่วยแล้วเนี่ยนะเป็นเพราะว่าบริหารร่างกายไม่ดีดําเนินสุขภาพใช้ชีวิตไม่ถูกไม่ถูกสุขลักษณะก็ปรับชีวิตซนะหลายคนพอปรับชีวิตก็ปรกฏว่าเออโรคหัวใจก็หายโรคเร็งก็บรรเทาลงไปจนะไปคิดว่าที่เกิดขึ้นนะั้นเป็นเพราะการใช้กรรมนะจริงๆถ้าพูดถึงการใช้กรรมเนี่ยนะมันมีการใช้กรรมอยู่2แบบนะ ใช้กรรมแบบแรกนี่หมายถึงการชดใช้กรรมใช้กรรมแบบที่สองนี่หมายถึงการช่วยใช้กรรมนะหมายความว่ายังไงนะเช่นเวลาเจ็บป่วยเนี่ยน ะ, ะถ้าใช้กรรมก็คื อ, อก็ก็ถือว่าอยอมทนไปเราทำกรรมไม่ดีในดีจชาตนะชาตินี้เราก็เลยมาใช้กรรมนะซึ่งก็ดีนะก็ทำให้ไม่ทุกข์ทรมานยอมรับสภาพได้ แต่ว่าถ้าหากเราฉลาดสักหน่อยเนี่ยเราสามารถจะช่วยใช้กรรมนั้นได้ก็คือใช้ความเจ็บป่วยเป็นประโยชน์หลายคนเนี่ยนะพอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะก็คือว่ามันได้สอนให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจธรรมะมากขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าทาให้เขาเนี่ยได้เห็นธรรมะเพราะว่าพอ ความตายใกล้เข้ามาแล้วก็หันมาสนใจธรรมะแทนพอมาสนพอหันมาสนใจธรรมะก็พบว่าเออเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรล้วก็ได้พบความสุขที่แท้คือความสุขทางใจก็กลายเป็นว่ามะเร็งกลับเป็นประโยชน์นะทำให้ได้ได้พบธรรมะบางคนก็พูดว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งนะเวลาเจอเหตุเจอเหตุร้ายเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่าเพียงแค่ใช้กรรมแต่ต้องคิดว่าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างเยอะเลยตัวอย่างที่เด่นชัดันลยคือนางสามาวดีนางสาวมาวดีนี่เป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนมากทําให้นางมาคันธยาเนี่ยมเหสีคนหนึ่งอิจฉาก็เลยาทางกล่นแกล้งแล้ววันหนึ่งก็หลอกให้นาง สามาวดีกับบริษัทบริวารเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในคลังเก็บผ้าแล้วก็เผาเผาทั้งคลังเผาทั้งปราสาทเลยก่าว่าให้ไฟคล อ, อกให้ตายน้งสามาวดีเนี่ยพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเธอก็แผ่เมตตาให้อภัยนางมาคันธยาถ้านั้นไม่พอนะเธอยังเจริญกรรมฐานด้วยเอาเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือเอาทุกขเวทนาจากายที่เผาไหม้เนี่ย มาเป็นมาเป็นอารมณ์มาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญภาวนาผู้ง่าคือใช้เวทานามุปัสสนานี่เรียกว่าเอาเวทานาเป็นอารมณ์ดูความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดจนกระทั่งไฟเผาจนสิ้นชีวิตตัวดำเป็นตอตะโกเลยก็มีคนไปทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมนางสาวมวดีซึ่งเป็นคนดีมาก นะอุปธรรมพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้เหมือนกับว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีนะพุทธเจ้าพอได้ฟังเรื่องพอได้ฟังข่าวรับรู้ข่าว ข, าวของนางสาโวดีก็บอกว่าการตายของนางละบริวานเนี่ยเป็นการตายที่ไม่สูรเปล่าเพราะว่าทุกคนนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงจริงนางสาววดีนี่ก็เป็นพระสวสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์ครนั้นก็ทําให้บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะว่าไอ้การภาวนา เอาเวทนาเป็นอารมณ์เนีให้ทำให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงเสร็จแล้วพระเจ้าก็อธิบายว่านางสามดีเนี่ยชาติก่อนนะชาติก่อนก่อนโน้นเนี่ยเคยทำไม่ดีกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือว่าวันหนึ่งเธอกับบริวารก็ไปไปอาบน้ำในสระแล้วพอขึ้นมาก็รู้สึกหนาวสึกเย็น ก็เห็นกองฟางอยู่ใกล้ๆก็เลยจุดไฟเผาเพื่อให้ความอบอุ่นปรากว่าในใกล้ๆกองฟางนั่นแหละนะพระโพธิสัตว์พร ะ, พนะพระประเจ๊พุทธเจ้ากําลังบำเพ็ญสมาบัติอยู่นิโรดสมาบัติพอรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจนะนางสาววดีเนี่ยอดีตชาตคนางสาววดีกลัวว่าความผิดของตัวเองนี่จะเป็นที่รู้ก็เลยคราวนี้ตั้งใจปกปิดทําลายหลักฐานเลยคือกาปเผาให้หมอดไหม้เลย เผาครั้งแรกไม่ตั้งใจแต่เผาคนที่2นี่ตั้งใจนะกะว่าจะทําลายหลักฐานแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จนะแต่ไอ้กรรมนั่นแหละก็ทําให้นางสมบูดีในในชาติต่อมาเนี่ยก็ถูกไฟคร อ, อกตายอันนี้เรียกว่าใช้กรรมนะการที่ถูกไฟคร อ, อกตายเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่ว่า ถ้าดูให้ดีนางสาวอดีเนี่ยไม่ใช่แค่ชดใช้กรรมนะแต่ว่ายังช่วยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็คือใช้เป็นโอกาสในการเจริญภาวนาจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงนะอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิสัยของบัณฑิตเลยนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นโดยเพราะแม้จะเกิดเคราะห์ขึ้นมาก็สามารถจะใช้เคราะห์ให้เป็นให้เป็นประโยชน์ได้ผู้ง่าคือเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะบางท่านที่เจ็บป่วยนะ ก็พิจารณาความเจ็บป่วยเห็นความเป็นความไม่เที่ยงของสังขารจนบรรลุธรรมเป็นผ้าอาหารหันต์ก็มีความเจ็บป่วยป่วยเนีไม่มีใครชอบนะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากเรายอมรับมันแล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็ชื่อใช้มันเพื่อเป็นเครื่องมือสอนธรรมให้กับเราได้นะบางท่านนี่เดินทุ ด, ดง แล้วถูกเสือกัดนะเสือมันขย้ำถึงตายเลยนะก็อาจจะมองว่าเนี่ยท่านคงทํากรรมไม่ดีในชาติที่แล้วนะชาตินี้ก็เลยโดนเสือกัดตายแต่ปบอกว่าพระรูปนี้นี่ท่านเจริญน ะ, จะเจริญกรรมฐานบําเพ็ญกรรมฐานขณะที่ถูกเสือกัดบอกว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คาปากเสือเลยท่านบรรลุธรรมอย่างไรก็ท่านก็จเจริญภาวนาบําเพ็ญกรรมฐาน เหมือนกับนางสามอวบีนะั่นคือเอาความเจ็บปวดนี่แหละเอาทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอารมณ์ก็ทําให้เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากเลยสังขารเป็นทุกข์มากจงกระทั่งรู้ว่าไม่น่ายึดถือเกิดปัญญานะปล่อยวางนะปล่อยวางสังขารจิตก็หลุดพ้นะอันนี้เรียกว่ารู้จักฉวยใชนะ้เหตุร้ายให้กลายเป็นดีหลวงพ่อเขีย น, นบอกวาภาวนาคือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี อาชาพูดเรานักปฏิบัติเราต้องฉลาดนะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอย่ามัวแต่คร่าครวญว่าทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นหรืออย่ามัวแต่คิดว่า เ, เออเราใช้กรรมนะคิดแค่นั้นไม่พอนะมันต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะอันนี้แหละนะถึงจะเป็นเป็นวิสัยของบัณฑิตอาข้ามเนี่พูดงกัท่านี้กรับ